ก็กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็กราบครวะพระอาจารย์ทรงศินปพระจารย์ตุ่มเพื่อนสาธมิกและก็เจริญพรมายังไม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านก็วันนี้ก็เป็น <Hey zijn S 2> <People. S 1> กิจวัตรประจําวันนะของพวกเราที่อยู่วัดป่าสุกโตนะหลังจากที่เราได้ร่วมกันไหว้พระสุดมนนะ์สาธยายธรรมนะก็เป็นการได้น้อมระลึกนะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราบูชานะเราเคารพนะเรียกว่าเอาเป็นต้นแบบ นะเอาเป็นแบบอย่างนะแล้วก็ให้กำลังใจนะกับพวกเรานะในการที่จะมาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจของเรานะซึ่งเมื่อเช้าหลวงพ่อคาเขียนนะก็ได้แสดงธรรมใหพวกเราได้ฟังนะซึ่งเห็นว่าทุกครั้งที่ท่านจะพูดก็จะไม่พูดเรื่องอื่นนะนอกจากเรื่องของการที่เรา กลับมาเรียนรูนะ้ที่กายที่ใจของเรานะซึ่งเป็นส่วนประกอบของชีวิตไม่ต้องไปศึกษาไกลการเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้ความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่กับตัวเราอยู่แล้วเราสามารถที่จะอ่านหรือจะเรียนรูนะ้จากกายใจของเรานี่เองนะกายของเรามันเป็นดุนเป็นก้อน นะโดยที่มีใจนะเป็นตัวรับรู้นะซึ่งส่วนสําคัญก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวนะหรสตินั่นเองสติเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกนะไม่ได้กระตุ้นหรือไม่ได้ปลกุกมันให้มันตื่นขึ้นนะมันก็เป็นสติสา ม, มัญ น, นะก็ใช้การงานได้นะแต่ว่า มันยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานะก็คือความหนักอกหนักใจนะหรือว่าความคิดปรุงแต่งต่างๆ่งนะชีวิตของเราจริงๆโดยธรรมชาติธรรมดาเนี่ยมันไม่มันไม่ทุกข์ไม่สุขอะไระนะแต่ที่มันเป็นทุกข์เป็นสุขเพราะว่าเราไม่เคยรู้เท่าทันนะในความจริงนะของกายของใจและเราก็ไปยึดไปถือบ้าง หรือบางทีเราก็ไปอยากที่ให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนาะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอากาศมันหนาวมันหนาวมากๆเราก็ไม่อยากให้มันหนาวหรืออากาศมันร้อนเราก็ไม่อยากให้มันร้อนนะพูดง่ายๆก็คือเราไม่ยอมรับความจริงนะของสิ่งแวดล้อมนะที่มากระทบกับกายของเรานะหรือการที่เราได้ยินได้ฟังนะสิ่งที่ เป็นที่พอใจหรือไม่พอใจนะเราก็จิตใจเราก็กระเพื่อมนะเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมาซส่งจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุทำปัจจัยน่ะจะเป็นเสียงก็ดีเป็นภาพก็ดีน่ะที่มากระทบกับประสาทสัมผัสน่ะจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นนะหรือทางกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็น ธรรมชาติธรรมดานะที่มันจะผจบที่มันจะสัมผัสสัมพันธ์กันนะเพียงแต่ว่าถ้าสติเราไม่คมชัดพอหรือเราไม่รู้ทันเนี่ยเราก็จะไปยึดถือนะเราก็จะไปปรุงแต่งเช่นอาหารที่อร่อยนะเราก็จะติดอกติดใจเราก็จะพอใจแต่ถ้าเราไปเจออาหารที่ไม่อร่อยไม่ถูกบากเราก็จะไม่พอใจ นะเราก็จะรู้สึกไม่ชอบใจขึ้นมานะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยนะก็จะทำให้เราเนี่ยมออีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะทำให้เราพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจซึ่งตรงนี้มันทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันเสียความเป็นปกติไปนะเรียกว่าเราไม่รู้เท่าทันนั่นเอง ความเป็นปกติของใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมนาที่มันรักษาให้เราเนี่ยมีชีวิตที่เป็นปกติสุขอย่างขณะที่เรานั่งฟังอยู่นี้เรามีจิตใจเฉยๆ เ, ยเป็นปกตินั่นก็คือมันเป็นความสมดุลนาของธรรมชาติาของจิตใจที่มันมีอยู่แต่เมื่อได้ก็ตามนาที่มีเสียงเข้ามากระทบหูเรารู้สึกไม่พอใจ ในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั่นคือเสียสมดุลไปแล้วนะใจของเราไม่ปกติแล้วนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้เจริญสติเนี่ยเราจะไม่เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้เจริญสติเนี่ยมันก็จะพัดหลงนะไปในสองสองทางทางหนึ่งก็พอใจอีกทางหนึ่งก็ไม่พอใจนะซึ่งตรงนี้ก็ทาให้จิตใจของเราเนี่ย ไม่ปกตินั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะถ้าเราไม่ได้สังเกตไม่ได้ดูให้ดีเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะเราจะมีจิตใจที่ไม่ปกตินะได้ง่ายๆแล้วก็บ่อยนะถ้าเรียกเป็นภาษาศา <c oughs> ส, สนาก็เรียกว่าขึ้นสวรรค์บ้างตกนรกบ้างขึ้นสวรรค์ก็คือพอใจดีใจ ตกนรกก็คือเสียใจไม่พอใจนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะ่ะสามารถที่จะสังเกตได้ทีนี้จิตใจที่เป็นปกตินั่นแหละคือไม่ตกนรกไม่ขึ้นสวรรค์เป็นปกติเฉยๆนะซึ่งตรงนี้เป็นธรรมชาติดั้งเดิมเป็นความสมดุลนะของใจนะที่มันมีอยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่ ถ้าเราไม่ได้สังเกตเนี่ยเราก็จะพัดหลงไปในสวรรค์บ้างนรกบ้างนะแต่ตรงกลางเนี่ยนะเราไม่ได้สังเกตถ้าเราสามารถที่จะสังเกตตรงนี้ได้บ่อยๆนะจิตใจเนี่ยนะเขาก็จะมีความสมดุลเป็นจิตใจที่มั่นคงนะเป็นจิตใจที่หนักแน่นแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราพยายามที่จะไปประครับประคองหรือไปสร้างภาวะความเป็นปกติ นะความเป็นปกติของใจเราไปสร้างไม่ได้แต่มันเป็นของมันเองเพียงแต่ว่าเราไม่พัดหลงไปทางพอใจหรือไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจเท่านั้นเองความเป็นปกติก็จะแสดงตัวของเขาอยู่อย่างนั้นเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนะเพราะนั้นการเจริญสติเนี่ยให้เราสังเกตตรงนี้ให้ได้บ่อ ย, อยเมื่อตาไปกระทบกับรูปหู ไปกระทบกับเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิมรสกายสัมผัสใจนึกคิดนะให้สังเกตรตรงนี้นะพอใจไม่พอใจหรือปกติเฉยๆเพราะนั้นจริงๆธรรมะนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่มากมายเลยนะมีแค่นี้แหละไม่บวกก็ลบหรือตรงกลางนะซึ่งมันก็เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตรนะ์ที่ก็บอกมีบวกมีลบ แล้วก็มีตรงกลางนะซึ่งตรงนี้เป็นธรรมชาตินะของสิ่งต่างๆนะที่มันมีในโลกทีนี้เครื่องมือสำคัญที่เราจเจนอันนี้ก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองที่เรามายกมือก็ดีมาเดินจงกรมก็ดนะีมารู้สึกตัวในอิริยาบถต่างๆก็ดีเนี่ยจุดประสงค์ก็คือตรงนี้เราจะมาดูจะมาสังเกตสิ่งต่างๆปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้น นะสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยบางทีเราก็ยังมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะตรงนี้ก็ต้องอาศัยทําบ่อยๆ อ, อาศัยทําเรื่อยๆทําในรูปแบบนะอย่าไปดูถูกหรือว่าอย่าไปละเลยนะการเจริญสติในรูปแบบนี้เป็นส่วนสําคัญอย่างน้อยๆก็เป็นหลักนะให้เราเนี่ยให้กายกับใจเนี่ยมันอยู่อยู่ด้วยกันนะซึ่งแรกๆเนี่ย บางทีมันก็ จ, จะเป็นการเพ่งเป็นจ้องไปบ้างนะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆปรับตัวไปเองนะที่จะให้ใจเนี่ยนะมาอยู่กับกายแต่ก่อนชีวิตของเรานั้นใจมันไปอยู่กับความคิดนะมันคิดไปต่างๆนาะนาะวันหนึ่งวันหนึ่งคิดไม่รู้กี่เรื่องนะอย่างที่นักวิทยาศาสตร์กขาบอกวันหนึ่งเนี่ยคิดเป็น6 7ห0 0 0 0เจ็เรื่องนะ ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเลยนั่นก็หมายถึงว่าเราก็จะต้องตกไปอยู่ในภาวะต่างๆที่เราเรียกว่าพบนั่นเองนะในภาวะที่ดีใจเสียใจสุขใจเศร้าใจนะวาวเวนะเรียกว่าโดดเดี่ยวเดียวดายนะอันนี้ยเป็นภาวะเป็นพบที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราพระั้นเมื่อเรามีความรู้สึกตัวชัดเนี่ยเราเจนสิ่งเหล่านี้ การเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้ตรงนี้ไม่ได้ไปอ่านหนังสือหรอกจริงๆไม่ต้องไปอ่านก็ได้นะอ่านที่กายอ่านที่ใจแตนะ่หนังสือนั้นบางทีก็เป็นส่วนประกอบได้เหมือนกันนะเป็นแผนที่แตนะ่ถ้าเราอ่านหนังสือแล้วเราไม่เดินท่าไม่เดินทางเรามัวแต่ดูแผนที่เนี่ยมันก็ไม่ถึงเป้าหมายสักทีหนึง่งเพรา ะ, ะนั้นเมื่อเราอ่านหนังสือแล้วเนี่ยเราต้องลงมือปฏิบัตินะด้วยการทาลงไปนะลองผิดลองถูก ทีนี้การทำเนี่ยแน่นอนละ่ะมันก็มีอุปสรรคนะเช่นความเบื่อความเซงความง่วงเหงาเหานอนความฟุ้งซ่านนะความสงสัยลังเลสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็น อ, อ, อุปสรรคเหมือนกันถ้ามองในแง่ของคนเริ่มต้นใหม่นะแต่ถ้าคนที่ <c oughs> ทํามานานๆเนี่ยจเจนว่าอันนี้ไม่เป็นอุปสรรคเลยนะกลายเป็น เขาเรียกว่าเป็นเชื้อเลยนะเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องมือเป็นวัตถุดิบก็ได้นะที่จะทำให้เราตื่นรู้ขึ้นมาความฟุ้งซ่านเนี่ยความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ชอบและคิดว่าเรามาฝึกสติแล้วเนี่ยมันน่าจะสงบมันไม่น่าจะต้องคิดอะไรอันนั้นคือเราไปคิดเอาเองจริงๆความคิดเนี่ยนะมันก็ตรงข้ามแบบการที่เรารู้สึกตัว ถ้าเราไม่รู้สึกตัวเราก็คิดแต่ถ้าเรารู้สึกตัวมันก็จะไม่คิดเพราะนั้นความคิดเนี่ยถ้าเรารู้ทันเนี่ยมันก็จะอ่อนกำลังลงไปความรู้สึกตัวมันก็จะเด่นขึ้นมาเพราะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งตรงกันข้ามอ่ะเหมือนมีนกก ม, มืดก็มีสว่างะมีร้อนก็มีเย็นมีคิดก็มีไม่คิดนไม่คิดก็คือรู้สึกตัวนั่นเองเพราะนั้น ถ้าเราฝึกเจริญสติก็ดีฝึกภาวนาก็ดีแล้วเราไปมุ่งหวังให้มันสงบนิ่งไม่คิดอะไรเนี่ยนะตรงนี้มันจะทำให้เนิ่นช้านะแล้วบางคนเนี่ยก็ติดในความสงบนะซึ่งตัวกับผมนิธมาก็เคยติดความสงบชอบนั่งนิ่งนิ่งสบายไม่ต้องคิดอะไรนะคิดว่าอันนั้นนะคือเป้าหมายที่จริงไม่ใช่อันนั้นเป็นเพียงแต่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะ เป็นบางครัง้งบางขณะถ้าเราสงบอย่างนั้นเราไม่มีความคิดเนี่ยเราจะไม่มีวัตถุดิบในการที่จะปลูกความรู้สึกตัวถ้าเราไปสงบนิ่งๆเนี่ยมันจะอร่อยนะกับความสงบแล้วมันก็ไม่เดินทางนะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราต้องการเดินทางไปที่ที่หนึ่งในระหว่างทางเราไปเจอพบกับล่มไม้สระน้ำที่เย็น นะเราก็ไปนั่งไปนอนอยู่ใต้ล้ไม้นั้นนะแล้วก็รู้สึกสบายถามว่าถ้าเรามัวไปนั่งไปนอนอยู่ที่ใต้ล้ไม้ใกล้หนองน้ําที่เย็นสบายเนี่ยจะถามว่าเราจะเดินถึงเป้าหมายไหมมันก็จะไม่ถึงเหมือนกันคนที่ชอบสงบนั่งนิ่งๆหลับตาไม่รับรู้อะไรแล้วก็จมดิ่งไปในความสงบเนี่ยนะตรงนี้ก็จะ เนิ่นช้านะแล้วก็จะติดนะเาเรียกว่าติดความสงบซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ทำให้เนิ่นช้าแล้วคนที่ติดความสงบเนี่ยสังเกตง่ายๆนะพอเวลาไปทำการทำงานไปเจอกับสิ่งแวดล้อมข้างนอกเนี่ยนะก็จะรู้สึกงหงุดหงิดได้ง่ายนะหรือรู้สึกไม่อยากจะสูงสิงไม่อยากจะสมาคมกับใครพูดง่ายๆคือทาชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเงียบๆนะ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เราไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงเพราะนั้นการเจริญสติเนี่ยนะมันตรงกันข้ามเลยนะเราจะไม่เน้นตรงสงบนิ่งเนี่ยแต่เราให้เผชิญกับอารมณ์อารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเผชิญกับมันด้วยความรู้สึกตัวตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งนะที่จะทำให้เรารู้เท่าทันรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ เเรารู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์แล้วเนี่ยมันจะเกิดความสงบอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าสงบแบบตื่นรู้ไม่ใช่สงบแบบนิ่งสงบแบบนี้มีปัญญานะเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการที่เราเรียนรู้ความคิดทุกๆความคิดอารมณ์ทุกๆอารมณ์นะที่มันผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปนะเราไม่ได้ติดอกติดใจมันนะถือว่าเป็นสิ่งที่ ธรรมชาติาเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นนแล้วทําให้เราเรียนรู้แล้วเราก็ปล่อยวางซึ่งการปล่อยวางเนี่ยเราไม่ได้คิดปล่อยวางนะแต่มันเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นอารมณ์ก็ดีความคิดก็ดีเนี่ยถ้าเราไปยึดไปถือนไปม่วงเอาไว้เนี่ยมันหนักนมันหนักอกหนักใจน่ขึ้นมานซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอุปทานนั่นเอง เส้นะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าสติเราไม่ชัดเจนเนี่ยนะมันก็จะพัดหลงไปยึดถือเกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยนะเราจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เราเรียกว่าความทุกข์เนี่ยอยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นความหิวความกระหายความปวดความเมื่อยความหนาวความเย็น นะซึ่งอันนี้เป็นส่วนของกายนะความแกนะ่ความเจ็บปวดอันนี้เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นที่กายของเรานะซึ่งเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาที่มันมีแต่ทุกข์อกการนึงที่มันจะซ้อนขึ้นมาก็คือเราไปไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะเช่นเราหนาว เ, นเราไม่อยากหนาวเราร้อนเราไม่อยากร้อนนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้เท่าทัน นะเป็นสิ่งที่เราไปสร้างเป็นจินตนาการขึ้นมาที่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะซึ่งก็เป็นลักษณะของการที่เราพยายามยึดถืออีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันดันะะนั้นความทุกข์ชนิดที่สองนี่แหละเป็นความทุกข์ที่เราสามารถแก้ได้ความทุกข์ชนิดแรกที่เกิดขึ้นกับกายเนี่ยนะเราเพียงแต่บรรเทาไปอย่างเช่นเราหนาวเราก็นุ่มห่มให้มันอบอุ่น เราร้อ น, นเรากา็ใส่เสื้อผ้าให้บางลงหรือเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปหาหมอรักษ า, าตามที่มันเห็นเหมาะสมเราหิวเราก็หายเราก็กินเราก็ดื่มเรียกว่าอันนี้บรรเทาทุกข์ไปแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการที่เราไปไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ให้มันเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องความคิดปรุงแต่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ทันรู้ทันแล้วก็ปล่อยวาง นะเพียงแค่รู้ทันเนี่ยมันปล่อยวางเองอะไม่ต้องไปสั่งให้มันปล่อยวางหรือไปคิดปล่อยวางเพียงแค่รู้ทันเราก็จะเล่าโอ้ความคิดมันหลอกแล้วแหละนะตรงเนี้วยเรียกว่าเป็นทุกข์ที่ที่มันจะดับได้ด้วยการที่เราละนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นทุกซ้อนนะทุกซ้อนขึ้นมานะถ้าเรามีสติที่คมชัดเราจะเห็นตรงนี้เพราะนั้นสิ่งที่เราได้มาเรียนรู้นาะจะเป็นเรื่องกายเรื่องใจเนี่ย นะเราใช้เครื่องมืออันเดียวก็คือสตินี่แหละสติสัมปชัญญะหรือถ้าเราเรียกกันง่ายๆก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองนะจะเป็นตัวที่จะช่วยแก้ไขปัญหานะที่เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดปรงแต่งไม่รู้เท่าทันอารมณนะ์ตัวความรู้สึกตัวนี่แหละจะเป็นตัวที่จะปรับสมดุลและเป็นตัวแก้ปัญหาได้เพราะนั้นสิ่งนี้ นะถ้าเราไม่ได้ฝึกนะเราก็จะจุตกอยู่ในวงจรนะของความไม่รู้นะที่เราเรียกว่าความเผลอความไม่รู้เท่าทันในอารมณ์ในความคิดเปล่งแต่งต่างๆ่นะที่มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะตามเหตุตามปัจจัยที่มันเอ่อจะเกิดขึ้นเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สาคัญ นะการที่มาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะถ้าเราไม่ทําเรื่องนี้เนี่ยมันน่าเสียดายมากเลยนะถ้ามาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยเราไปทําอย่างอื่นนะเช่นมัวแต่คุยเล่นนะหรือว่ามัวแต่ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นนะไม่ได้ทําเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะเพราะบรรยากาศของวัดป่าสุกโตเนี่ยสงบสงดัดนะซึ่ง ได้ไปเห็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหลายๆแห่งเนี่ยที่วันนี้ได้มีโอกาสไปก็เห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะร้อนอบอ้าวแล้วก็ใบไม้ร่วงนะแต่วัดป่าสุกโตใบไม้เขียวนะชุ่มเย็นสงบสงัดนะแล้วก็ เ, เป็นสิ่งแวดล้อมนะที่จะให้เราเนี่ยได้มาเรียนรู้นะเรื่องความจริงของกายของใจได้ดีดีมากเลยแล้วก็สภาพแวดล้อม นะแล้วก็กา ร, ระยาะณามิตรเนี่ยนะทุกเช้าทุกเย็นเราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นาะม า, าชวนกันนะที่จะมาเาจริญสตินะมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจนะโดยที่มีหลวงพ่อคำเขียนเป็นผู้นำนะในเรื่องนี้แล้วก็เราได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมเอาไปประพฤติปฏิบัตินะเอาไปลองทำดูนะ ถ้าเรามาอยู่วัดป่าสุขโตรเรามาอยู่สบายๆนะไม่ทำอะไรนะตรงนี้ก็เรืเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะมากินมานอนนะหาความสุขส่วนตัวมาสบายนะแล้วก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องน่าเสียดายจริงๆนะแล้วก็โดยเฉพาะยงยิ่งผู้ที่มาอยู่เพียงแค่ชั่วระยะหนึ่งนะแล้วก็จะต้องออกไปเผชิญกับโลกเนี่ย ถ้าเราไม่มีเครื่องมือคือสติสัมปชัญญะเนี่ยนะเราก็ต้องไ ป, ปเผชิญกับความทุกข์อีกนะโดยที่เร า, า จ, จะรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแต่ถ้าเรามาอยู่ที่นี่นะเราได้ฝึกฝนเอาไว้นะอย่างนั้นเรก็มีเครื่องมือติดตัวไปนะสำหรับที่จะไ ป, ปะเผชิญกับโลกสาหรับการที่จะไปใช้ชีวิตกับโลกนะสามารถที่จะใช้เอ่อสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการปรับสมดุล นาของกายใจนาให้เป็นปกติสุขนาซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้นะที่มีอยู่แล้วแล้วก็เป็นความสุขนาที่ประณีตนาเป็นความสุขที่ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนาเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วในจิตใจของเรานตรงนี้เป็นสิ่งสาคัญนาที่อยากจะเชิญชวนชักชวนพวกเรานาที่อยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยอย่าได้ละทิ้งเรื่องนี้ กิจกรรมอื่นก็คงทําหละแต่ให้เรื่องของการเจริญสตินี้เป็นงานหลักนะงานอื่นเป็นงานรองไปนะก็จะทําให้เราไม่ไม่รู้สึก เ, เสียดายนะที่ได้มาอยู่วัดป่าสุกโตจะเป็น3มวัน5วัน7วันหรือ1เดือนนะหรือกี่วันก็ตามนะตรงนี้ก็จะทําให้เราได้รับประโยชนนะ์จากการที่มาอยู่วัดป่าสุกโตแล้วก็ ใช้เวลาให้คุ้มค่านะกับการเจริญสตนะิสำหรับผู้ที่ตั้งใจมุ่งมั่นนะที่จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะและก็กระทำอย่างต่อเนื่องนะก็เชื่อว่านะผลของการประพฤติธปฏิบัติของเรานั้นนะจะส่งผลนะให้เราได้สัมผัสกับความเป็นปกตินะของกายของใจนะซึ่งเป็นบ้านที่แท้จริงเป็นที่พักที่แท้จริงของจิตใจของเรา แล้วก็จะได้สัมผัสกับความสุขในที่ประณีตหนาที่มีอยู่แล้วนในตัวของเราด้วยซึ่งความสุขชนิดนี้เนี่ยเงินซื้อไม่ได้คนอื่นทำให้ก็ไม่ได้ไมีแต่เราต้องทำเองและเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่ทุกคนสามารถจะทำเพียงแต่ว่า ขอให้เราตั้งใจมีความเพียรพยายามนะก็ต้องข อ, อน้มนา้าวนะกับผู้ที่ได้มีความตั้งใจนะในการที่จะมาใช้ชีวิตของวัดที่วัดป่าสุกโตได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะแล้วก็ขอให้อา่าการประพฤติปฏิบัติของทุกท่านนะได้ผลนะตามที่เราได้เพียรพยายามนะได้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจนะอยู่บ่อยๆ ในชีวิตประจำวันของเราในในวันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร